คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกตัวไม่ชัดคือตัวโมหะมันจะเป็นเหมือนเป็นฟ้าบางวันเลืมฝ้ามากฟ้าน้อยไม่เหมือนกันนะพวกชอบตื่นสายเนี่ยถ้าตื่นเช้าเช้าเราฝ้าเยอะมัวมัวนีบางคนเช้าเช้ามัวมัวพอฝ้าทิศขึ้นแล้วหายโมหะมันกลัวแสงสว่างนี่พอเราปฏิบัติ ไอ้ที่มืดที่มัวเนี่ยตัวกิเลสเท้านั้นนะมัวมัวแคกิเลสหนาก็มัวเยอะหน่อยกิเลสน้อยก็บางหน่อยนะวันไหนกิเลสมากมากก็หนักรู้สึกไหมวันไหนวันไหนถ้าเรากิเลสเยอะนะรู้สึกหนักวันไหนกิเลสน้อยก็เบาถ้าใคยเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องชี้วัดตัวเองได้สังเกตตัวเอง แต่และ ว, วันจิตเราไม่เหมือนกันนะแต่และช่วงเวลาเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเพวันไหนทางานเยอะๆหมุนหมุนหมุนตอนเย็นเลิกงานแล้วยังหมุนต่อเลยไม่เลิอกอมันยังหมุนต่อไปอีกนี่ถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆนะมันค่อยเบาค่อยใสจิตใจมันหนักขึ้นมาเพราะมันชอบไปทํางานสังเกตไหมจิตเราแอบไปทํางานตลอดเลยนกดูออกไหม คุณวิยาดาดูได้ไหมจิตมันชอบทํางานดูออกไหมเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดพอไม่คิดก็อยากปฏิบัติก็ตั้งค่าให้มาเพ่งขึ้นมาอัดเอไว้อัดอั ด, อ, ดอัดเอาไว้ให้มันนิ่งๆเป็นการทํางานทั้งหมดเลยจิตที่ไปทํางานก็มีสองแบบไปทํางานที่ดีก็เรียกกุศลจิตมาหากุศลจิตทํางานไม่ดีเรียกอกุศลจิต จิตเรามีสองอย่างเวลาทำงานชอบทำงานนี่ฝึกมากๆต่อไปจิตไม่ไปทำงานนะจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่สบายไม่วิ่งไปหาภาระมามันก็ไม่หนักยิ่งฝึกไปเรื่อยๆยิ่งเบาแต่ไม่ฝึกให้เบาวิวนะฝึกเบาเคลื่มนไม่ติดพื้นอย่างนี้ไม่เอาเลยนั้นจิตธรรมชาติโยดูออกไหม แต่เรามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาโย่อย่าไปยุ่งกับมันโย่แค่รู้เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงความจงใจอย่าเข้าไปแทรกแซงคือการทํางานอีกตัวหนึ่งพอโย่เข้าไปทํางานโย่รู้สึกว่ามันจะหนักขึ้น ม, ม า, าเช่นเราเกิดระ ม, มัดระวังเกิดความเกรงระวังคอยระวังตัวจิตจะเผลอกลัวจิตจะหลงเลยจิตก็หนักหนั ก, นกมันทําไปด้วยความอยาก ล้วเรารู้สึกตัวเฉยๆจิตหีไปทำงานไม่ได้เพราะมันแอบไปทำงานไม่ได้นะใจก็สบายขึ้นสบายขึ้นนะค่อยๆถอดถอนตัวเองขึ้นถึงจุดที่ใจมันถอดถอนออกจากกองทุกข์รู้สึกไหมเหมือนมันลงไปแช่อยู่กับทุกข์เวลาลงไปทำงานนะไปไปเกาะไปเกี่ยวอะไรอยู่นะก็หนักๆขึ้นมาหนักนิดหนึ่งก็ทุกข์หน่อยหนึ่งหนักเยอะๆทุกข์เยอะ ถ้เปเกาะอะไระก็กายกับเกาะใจกับรูปกเกาะนามเท่านั้นเองนั่เลยเรียกว่าตัวรูปนามเป็นตัวอุปาทานขันเป็นตัวทุกเราฝึกมากๆจิตถอดถอนออกจากขันจนะิตยอยู่ต่างหากจิสบายไม่มีภาระไปยุ่งกับขันเราให้ขันมันทํางานนั่นนะี่ค่ๆดูนะพวกเราเรียนเยอะแล้วนะทุกคนซ้ำๆนะอยู่ที่ฝึกเอา ค่อยๆทําเอาของคุณบาราวันนี้ถอดถอนเยอะก็เบาสบายรู้สึกตัวชัดนวันไหนเข้าไปแทรกแซงก็มัวมัวไปเราค่อยฝึกจิตมันก็หลุดออกไปหลุดออกไปที่ว่าจิตหลุดพน้นนะก็คือหลุดพ้นจากขันนั่นเองหลุดพ้นจากความยึดในขันหลุดพ้นจากการห่อหุ้มของอาสวะกิเลส มันมืดมื ด, ม, ดมัวมัวสว่างกิเลสมันห่อคุ้มบางคนหัดเจริญสติไปก็ได้เห็นคล้ายๆเรานั่งอยู่ในแคปซูลอะไรสักอันหนึ่งมีเปลือกนะเคยเห็นเปลือกนี้ไหม <c oughs> บางคนเปลือกหนานะบางคนเป็นแคปซูลบางๆเหมือนเหมือนยาแคปซูลบางคนเหมือนตุ่มน้ำํำมันเข้าไปนั่งครอบใหญ่ๆ แล้วแต่เปลือกหนาเปลือกบางแล้วแต่ตัวอาสวะอาสวะเยอะก็เปลือกใหญ่เปลือกหนาใจก็หนักคุณมลเห็นเปลือกมั้งไหมโอ้โหเนาะมันมีเปลือกเมื่อก่อนเนี่ยสงสัยเมื่อไหร่เปลือกนี้จะแตกไปถามหลวงพ่อพุธโอ้แต่ไม่ได้พูดเรื่องเปลือกถามท่านเรื่องว่าจะทำลายผู้รู้ได้ยังไงผมสิบกว่าปีแล้ว ทำลายไม่ได้ฉันบอกให้รู้ไปอย่าไปทำอะไรนะให้รู้เฉยๆรู้ลูกเดียวฉิดมันผู้รู้มันคล้ายๆฟองไข่มันมีเปลือกคุม้มถ้าลูกไก่นี้มันเติบโตเต็มที่มันจะเจาะทาลายออกมามันทำลายเปลือกมาเราอย่าไปช่วยทำลายนะเดี๋ยวเป็นลูกไก่แท้งรีบ ไ, ไ, ไปเคาะเปลือกไม่ได้คล้ายๆดูไปเดี๋ยวเปลือกค่อยบางลงบางลง เห็นเปลือกนี้ใหม่ๆอึดอัดนะรู้สึกไม่แม่เหมือนเราอยู่ในที่แคบๆทั้งวันเล ย, คยใครดูไปพอเปลือกแปกออกไปแล้วโอ้ว่างกว้างกวางใจสบายใจเบาๆนี่อะไรนี่หันรู้สึกไปแค่นั้นอนะ่ะใจมันไปรู้ว่ามันไปไม่ห้ามนะไปประครับประคองไว้แล้วเปลือกยิ่งหนาคุณย่ดาเคยเห็นเปลือกไหม เป็นตุ่มมาเออไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเอยไม่รู้เรื่องอะไรคือยืนอยู่ทำงานทำงานไปนะมันเหมือนว่ามันมันไม่เข้าใจว่ากาลังทำอะไรไม่เข้าใจงานเหรอหรือว่างาไมเลียบงานก็เป็นต้องทำแต่ว่าพอมันจะปฏิบัติม เอ๋อปฏิบัติไม่เป็นใช่ไหยเป็นธรรมดาเป็นทุกขั้นเลยนะแล้วเป็นทุกคนด้วยวันนี้ปฏิบัติปฏิบัตินะเหมือนแหมมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้ะอีกครืบเดียวถึงแล้ะอีกก้าวหนึ่งถึงแล้ะอีกวันหนึ่งเวิ้งว้างเลยลเขาปฏิบัติกันยั ง, ยงไงนะเราหลวงพ่อมาบวชแล้วยังเป็นเลยเดินจงกรมอยู่โอ้ใจนี้หนักอึดเลย มองไปที่ภูเขาเมื่อก่อนต้นไม้ไม่มีมองทะลุไปเป็นสิบกิโลได้เห็นมีภูเขาอยู่สามลูกเรียงกันเ็ฟดูลงไปที่ภูเขาภูเขาไม่มีน้ำหนักเลยใจเราน้ำหนักแล้วเขาภาวนากันยังไงเนี่ยภาวนาไม่เป็นเอเป็นทุกคนแหละเป็นวันวันอาจารย์มหาบวหัวเคยพูดเรื่องนี้บอกบางวันเหมือนมรรค น, นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาบางวันมันหายไปหมดแนละ้ว ทำไม่เป็นจิตเค้าสอนวันที่ทำไม่เป็นเนี่ยเป็นการทดสอบเราดูซิว่าเราหลักแม่นไหมเราทำไม่เป็นแล้วเราตกใจนี่หลักเราไม่แม่นเลาตกใจยิ่งรวนไงยิ่งพยายามทำใหญ่ยิ่งหลงไปไกลใหญ่ถ้าไม่ตกใจวันนี้ปฏิบัติไม่เป็นก็ช่างไปะไยนะ เอาอย่างเดียวว่าถ้าใจเกิดความอยากขึ้นมาจะรู้ทันถ้าใจิตใจแอบไปทำงานจะรู้ทันเอาแค่นั้นพอละเดี๋ยวก็เป็นพอจับหลักตรงนี้ปั๊บแลนก็เป็นเลยมันหลอกโอ้โหมันหลอกเพราะเราวันนี้ปฏิบัติไม่เป็ น, นจะตกใจมือระดับไหนก็ตกใจแล้วเมื่อวานนี้เหมือนจะบรรลุอยู่แล้วนะวันนี้หายหมดเลย <c oughs> แค่บดทดสอบดทดสอบเนี่ยว่าหลักแม่นไหมถ้าหลักแม่นแม่นนี่เที่ยวแสวงหาอุตรุดเลยะก็เสื่อมเป็นเดือนเลยถ้าหลักแม่นเอาละอันนี้ก็เป็นสภาวะหนึ่งสัดว่ารู้ไปอ ย, อยากอยากอยากปฏิบัติมันใจมันร้อนขึ้นมามันชัดทุรนทุรายรู้ว่ามันทุรนทุรายเพราะมันอยากปฏิบัตินะรู้อย่างนี้หายเลย ปฏิบัติได้เลยจิตไปทํางานโยรู้ไหมจิตมันแอบไปทํางานโยรู้เปล่าเราไม่รู้ก็เรียกว่าหลงหเวลาเราขาดสติจิตไปทํางานเรารู้ไม่ได้แต่เวลาเรานั่งเพ่งเนะี่ยจิตทํางานเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ว่ามันทํางานก็หลงเหมือนกันแต่หลงเบาๆหนะ่อยหลงแบบไปสุขติได้นกดูไป ของเราก็เริ่มทํางานเริ่มทํางานรู้ว่ามันทํางานเออยังไม่พอ ร, รู้ทันก็สลายกี่เรนั้นนะหลอกตรงเนี้ยหลอกตรงรู้ไม่ทันนี่แหละเพราะงั้นหน้าที่หน้าที่คอยรู้ให้ทันสภาวะสภาวะกําลังทํางานรู้ว่าทํางานขึ้นมาก็หลุดหมดอ่ะเพรางั้นพอเราฝึกไปเรื่อยๆมันหลอกเราสารพัดรูปแบบแบบนี้หลอกได้นั้นก็หลอกไปอันไหนเรารู้ทันแล้วหลอกไม่ได้ สติเกิดขึ้นมาแทนแทนการหลงค้นคว้าเงั้นเราหลงค้นคว้าไปเนื่องเพอะอันนี้หลอกไม่ได้มันก็ไปพัฒนานใหม่มา mm. หลอกไปแล้วนั่งดูนั่งไปทีละอันทีละอันทําความเข้าใจไปทีละเรื่องทีละเรื่องอถึงจิตหนึ่งก็จะเข้าใจรวกยอดอ๋อจิตทํางานเท่านั้นเองจิตหลงไปทํางานพอ ร, รู้ทนันจิตจะเลิกทํางาน ม, มีสับเฉพาะจิตที่มันไม่ทํางานนต่มันรู้วอารามณ์นี่กริยาจิตคุณไกลดูออกไหมจิตมันไปทํางานเนี้ยนมันหนีไปทํางา น, นรู้มันอันไหนรู้ทันแล้วมันก็หลุดออกมาในรู้ไม่ทันก็ทํายาวมีเท่านั้นแหละนะถ้าเราฝึกจนพวกเราทุกคนในที่เนี้ฝึกจนเห็นตัวสภาวะหมดแล้วเมื่อเราเห็นตัวสภาวะได้แล้วเรานั่งดูไปทําความเข้าใจไปทีละอันทีละอัน ห็ไหมคุณมญาดาคิตหนีไปมีไปรู้ว่าหนีไปนะนก็คิดไปก็รู้ว่าคิดไปนะพออยากปฏิบัตินะพอลงมือปฏิบัติก็ทุกเลยหเห็นไหมเห็นแต่ว่าเราจะทํายังไงดีเนี่ยต้องถามต่อย่าทายังไงถึงจะไม่ทุกข์คำว่าทำก็คือจะปฏิบัติเองนั่นแหละไม่ทําเนี่ยตอบทุกทีเลยใครมาถามว่าจะทำไงทําไม่ได้หรอก รู้ไปเลยนะสะบายบ้างลําบากบ้าง <laughs> มันเป็นระหว่างเดินทางลุ่มลุมตอนยอฝึกไปเรื่อยแล้วมันค่อยทางนี้ค่อยเรียบเรียบขึ้น <sh arp> ใหม่ๆก็โอ้โครูขละนะล้มๆๆลุกลุกลาล์ถ้ล้มลุกลุกลาน์น่ะถอดใจก็เลิกเดี๋ยวไปเจอพระพุทธเจ้าใหม่ค่อยเดินใหม่ก็ล้มอีกก็ถอยอีกนนิสัยชอบถอยนิสัยจอมซื้อ ทำถูกก็ทําทําผิดก็ทำดูมันเรื่อยไปสุขทุกข์อะไรก็ร่วมไปล้มลุกคลุกคลานก็ช่างมันล้มก็ดูมันไปวันนี้ปฏิบัติไม่เป็นแล้วแย่แล้ ว, แ ย, แ, ลวแย่แล้วรู้เลยว่าใจฝ่อนี่มันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นทุกคนเลยนะพี่ป้าพูดเต็มปากเต็มคําำหลวงพ่อก็เป็นนะมันต้องล้มลุกคลุกคลานไป าไปจนเมื่อไหร่จิตมันถอดออกไปแล้วถอถอนมันเบามันว่างนเบานคนถามจะทํายังไงจิตจะว่างต้องไม่ทำสิ่งจะว่างทําแล้วมันจะว่างนั่ไงเหมือนอยากว่างงานแต่ขยันทํางานมาเกินแหมตั้งแต่คุณเลิศใสบาดปานนนั้นเพิ่งไปบินธบารได้วันเนี้ย เข้าไปได้แล้วแต่วันนี้ต้องรีบหายหรือพรุ่งนี้จะมีหมอมาเยอะแยะเลยเนะเดีอออ๋ยวมันยุ่งกับเราหมอมากก็ยุ่งมากนะเหมียวเป็นตั้งแต่ข้อท้าพลิกไปจนถึงมะเร็งอะ่ะกบเป็นไงกบปฏิบัติเป็นไงบ้างืม อ, อ <H it> มันอยู่กับที่เลยเหรอเหมือนเดิมทุกวันเลยเหรอ ปิติรู้ว่าปิติปิติของเราเองหรือปิติเพราะคนอื่นก็ปิติเหมือนกันแหละนัเป็นของเกิดดับเหมือนกันเราไม่ได้ฝึกเอาปิตินะมันจะปิติหรือไม่ปิติก็ช่างมันเราฝึกเอาความจริงว่ากายกับจิตเป็นของบังคับไม่ได้ฝึกให้รู้ความจริงตรงนี้มันจะปิติไม่ปิติช่างมันมือใหม่ๆ มือใหม่ปีติเยอะมือเก่าไม่ปีตินะใหม่ๆเวลาจิตรวมฝือหวารวมก็รวมคโครมลงไปถ้ามือเก่าเวลาจิตรวมก็แลนดิ้งนิ่มๆ ม, มือใหม่เวลาปีติเกิดก็อู้ฝือหวาโครมเพลงโครมเพลงอย่างง้นีน้ำหูน้ำตาร่วงมือเก่าน้ำตาร่วงก็มีนะเรนนี้เลิกหรือยัง ปิติก็เป็นอาการน น, นึงเป็นอารมณ์นั้นนึงนะอย่าให้มันครอบงำจิตแล้วก็ดูมันไปโยทำอะไรมันง่ายชิย้นยางโย <c oughs> เออถ้าไม่ทำก็ง่ายถ้าทำก็ยากนะดูไปเรื่อยเลยมันเป็นยังไงก็รู้มไปง่ายๆอย่าตั้งใจนะตั้งใจแล้วผิดไม่ต้องนั่งตั้งใจ อะไรเกิดขึ้นง่ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นตามรู้ตามเห็นไปไม่ต้องตามแก้เมื่อก่อนอาจารย์โยโมโหโหลวงพ่อหลวงพ่อไปบลับเขาบอกหนังสือเขามีแต่เรื่องตามแก้ครนะูบาอาจารย์ไม่เอาหรอกอย่างนี้สอนลูกศิษย์ก็สอนตามแก้ไปเรื่อยนะมันไม่ได้หรอกอาามันคนละทางการตามแก้ตามอะไรนะมีมาก่อนศาสนาพุทธ จิตมีราคามากเลยอดข้าวไปเดี๋ยวราคาก็หายมันกลัวตายมีราคามากไปนอนบนตะปูที่ดูซิมันจะนอนคิดถึงสาวได้ไหมกลึ้งไปกลิ้งมาแล้วเพลินเหมือนโยตอนเช้ามืดนี้นอนกลิ้งคิดไปเรื่อยๆใช่ไหมลงนอนบนตะปูไม่ทําอย่างนั้นคนเขาก็ตามแก้กันมาเยอะแยะเนี่นเราจับให้ถูกว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางจับให้แม่นแม่น มิฉะนั้นเราจะเสียเวลาเนิ่นช้ายิ่งเราอยากปฏิบัติมากเรายิ่งดิ้นรนเยอะอการที่เกิดอาการอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้เกิดอาการอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้มันตอบสนองความอ่อนแอในใจเราเพราะเรารู้สึกว่าได้ทำได้ทำแล้วมันสบายใจยเราก็เลยมุ่งทำใหญ่เลยทำนีโน้นทำนี้แทนที่เราจะตามรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็น การตามรู้น้นง่ายสุดๆเลย ใ, ใจก็รู้บ้างหนีไปบ้าง น, นะห้ามเขาไม่ได้นะะนกอย่าให้มันหนีนานมากเลยอย่าให้มันมันมันลงไปนอนแช่นะลงไปนอนแช่เงี้ยเราก็ช่วยมันนิดหน่อยนะจะขยับไม้ขยับมืออะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวอย่านิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยจมทั้งกายทั้งใจ จิตมันลงไปแช่เราเคลื่อนไหวกายไปบางคนมีกรวดเล็กๆนะซ่อนไว้ในนิ้วกรวดขยับไปเรื่อยบางคนนั่งเคาะเคาะเพื่อรู้สึกตัวนะมันจะเคาะให้เกิดสวรรค์วิมานอะไรขึ้นมานะอย่างพวกเราชอบไปเคาะเคาะเคาาทำไมอาจารย์ให้เคาะโอ้ฉลาดตายแล้วตอบเยอะ เมื่อวันนี้ท่านอาจารย์สุดจินท่านจยม า, านี่คุณเลิศดีใจถ้าเชิญไม่มีคุณเลิศไม่มีนิพพานนิพพานอย่างรู้ด้วยใจเลยเพราะว่าอายัตนาเป็นเครื่องต่อเป็นช่องทางที่จะออกไปรู้อารมณ์นิพพานยังเป็นอารมณ์ตัวหนึ่งเลย รู้ด้วยใจงั้นอย่างเรานั่งสมาธิเห็นด้วยตานะเห็นเมืองนิพพานไม่ใช่ละไม่ใช่นิพพานนะนิพพานรู้ด้วยใจไม่มีการรู้ในอยนายตนะที่เจ็ดนะคุณเลิศอยายตนะมีหกเท่านั้นอย่างถ้าใจไปรู้นี่ไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายนะก็รู้ด้วยใจ เออมันไม่มีแรงมไม่มีแรงมันจะไหลลงไปแช่นะิธีก็คือทำสมถานิดนหน่อย น, นี่หลักอยู่ตรงเนี้ยพอใจเราหมดกำลังเราก็ทำสมถะนิธีทำสมัทนะพุทโธลูกเดียวก็ยังได้ไม่คิดเรื่องอื่ น, นให้ใจมาจ่ออยู่ในอารมณ์ันเดียวสบายสบา ย, บายนิเคสลับต้องให้สบายทำอะไรไม่ได้จริงๆไปหยิบหนังสือธรรมะมาอ่าน ต้องเลือกน ะ, ะบางเล่มบางเล่มอ่านแล้เครียดก็ไม่เอาเล่มไหนอ่านแล้วสบายใจเอาเล่ม น, น, นั้นอ่านอ่านแล้วมีความสุขยิ่มเอิบขึ้นมาได้แรงนะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนี่รู้ว่าไม่มีแรง ม, มันช่วยตัวเองไม่ได้นะเพราะงั้นเราก็ทำสมถะไปอย่างเช่นเรารู้กายนะให้ใจจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวนะเอาแรง ปัจจครมันมีแรงเดี๋ยวมันไม่ลงไปนอนแช่นั่นแหละมันลงไปแช่เพราะไม่มีแรงรไม่หนีไปนะไม่ซึมนะคุณกลางตื่นขึ้นมาลูกชายไปไหนวันนี้ลแล้วพรมันตื่นสายนะเด็กนี้ <c oughs> เด็กสมัยใหม่ม เกาะเรารู้นะจะลงไปแช่แต่ถ้าเราไม่มีแรงมันจะลงไปแช่เฉย ๆ, ๆ, ๆมีสองแบบนะพวกหนึ่งพวกหมดแรงมีพวกหนึ่งคือพวกหมดแรงนี่ไม่มีแรงอีกพวกหนึ่งมีราักคะเกาะแล้วสบายเลยขอเกาะไว้ก่อนใช่ไหมเกาะแล้วเนี่ยระวังนะกุพิยดามันมีแรกด้วยหลักคะเราไปเกาะแล้วเออตรงเนี้สบายดีตรงอื่นมันทุกข์ เรารู้เลยนี่จิตมีหาักแทรกบางทีอาการของจิตอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนี่มาจากหลายสาเหตุหลวงพ่อเลยไม่ชอบสอนทางโทรศัพท์ทางเน็ตทางจดหมายไม่สื่อกันนะบางคนเขียนเล่ามานะอาการอย่างนี้นี้มันสาเหตุอย่างอื่นน่ะหรือบางทีนึกว่าตัวเองมีอาการอย่างนั้นความจริงไม่ใช่ไปฟังคนอื่นเข้ามาแล้วก็มานึกนึกว่าของเราเหมือนอย่างนี้เขียนเขียนขึ้นมา มาเล่าเล่าครูบาอาจารย์ก็แก้ไปอ่ะอาการอย่างนี้เหรอแก้ไปอย่างนี้ไปเลยหลงไปเลยเออช่างมันวันนีาปฏิบัติไม่เป็นแล้วช่างมันน้าเชิญอถือนะ หาใช่จิต ท, ที่ฟุ้งซ่านหายไปก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนแต่จิตผู้รู้ก็ดับเสร็จแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้หลงใหม่ของคุณเลิศตอนนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะมันเข้าไปยุ่งกับมันถอยออกมาอย่าเข้าไปแทกรกแซงถอยออกมาดูอยู่ห่างๆดูอยู่ไกลๆอย่าอัดมันขึ้นมาอย่าไปหยิบไปช่วยมันขึ้นมาดูไกลๆดูสบายๆ ความจริงไอ้ตัวที่ว่าไม่เชื่อมเนี่ยมันก็เชื่อมทางใจนั่นเองนะ ค, คือมันไปรู้ทันอายตนะตัวอื่นไปรู้ทันการทำงานออกไปทางอายต น, นะนั่นเองพอเราไปรู้ทันการทำงานใจไม่ไปทำงานใจก็รู้ตัวอยู่แต่พอรู้อยู่เนี่ยตรงนี้ก็มีทางหลงได้อีกเยอะเลยเช่นพอไปรู้ตัวรู้แล้วก็ประคองไว้ประคองไว้ผิดละห่วงแหนตัวรู้ไปประคองเอาไว้ หรือบางทีพอเห็นตัวรู้ตัวนี้เลยไปนั่งดูมันจงใจดูมันแล้วมันแข็งแข็งขึ้นมาหน่อยหนะึ่งมันปลอมไปละกลายเป็นตัวถูกรู้ไปและวงั้นเวลาไปเจอตัวรู้แล้วก็มีทางหลอกได้เยอะเลยทางแยกเยอะเลยถ้าไม่มีโยนิโสมนานัสิการนะไม่ไม่รู้จักแยกคายเฉลียวใจเนี้ดุยดุยเข้าไปนึกว่าถูกนะหอันตราย ยิงถ้าเราอยู่ไกลค ร, รูบาอจารย์เนี่ยหลวงพ่อนานๆจะได้ไปหาครูบาอจารย์ทีแต่ก่อนสามเดือนสี่เดือนได้ไปถทีระหว่างนี้ยมีปัญหาต้องคอยสังเกตนะนัเดินแต่ละก้าวเดินอย่างระวังเหมือนเดินในลงระเบิดเลยแย่ลงไปก่อนไปทางนี้จะไปได้ไหมไปทางนี้ดูจะดีเดินเดิ น, ดนแหมราบรื่นงเฉยนะสังเกตวนะ่้จิตใจมัน แปลกปลอมไปยังไงมั่งมันแปลกปลอมไปนิดนึงถอยล้วไปกลับมาตั้งหลักใหม่มาดูใหม่มันมีทางอื่นไหมผมนั้นเดินอย่างลําบากแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พึ่งครูบาอาจารย์เวลาไปหาท่านไม่ถามนะเดินอย่างนี้อย่างนี้ช่องนั้นช่องนี้ไม่เคยถามเลยถามภาพรวมเท่านั้นภาพในทางยุทธศาสตร์ว่าที่ทําอยู่ช่วงนี้ยถูกไหมจะต้องทําอะไรมากกว่านี้ไหม เดินไปอย่างระวังบางทีทําผิดอยู่นะครูบาอาจารย์บอกเออทาต่อไปเถอะแล้วก็อ้ออย่างนี้ถูกแล้วทํามันไม่ใช่ออมค่อยมีแรงขึ้นล่ะเห็นไหมนี่ยจิตมันมีแรงเพราเช้ า, ช า, ชาพระอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่มีแรงอืมนะันแค่นั้นเองอเห็นไหมแต่เรารู้ว่าเราช่วงนี้ทําอะไรช่วงนี้ทําอะไรทําเพื่ออะไรนี่ว่าเราทําด้วยปัญญาอันยิ่ง เห็นไหมง่ายๆ่ายง่า ย, ายไนอนแช่หมดเรื่องหมดแรงแล้วไม่รู้จะทํำยังไง <c oughs> หรือฝืนที่พอหมดแรงแล้วฝืนใหี่ป๊ปุ๊บปุ๊บใหญ่ดึงใหญ่จให้ขึ้นไม่ขึ้นหรอกไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นยิ่งหมดเรื่องหมดแรงหนักกว่าเก่าอีกพอไม่มีกําลังที่จะเจริญสติก็ทำํำสมถะคุณเลิศดูออกไหมใจมันมีแรงยิ่ง มันมีแรงดิ้นเราก็รู้ทันมันไปง่ายนุดมาจักใครบ้างเม่ยคอยดูไปนะจิตใจเราแอบทำงานตลอดดูออกไหมเดี๋ยวก็ไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ไปทำอย่างนี้คอยรู้ไปถ้ารู้ไม่ทันนะก็คือไปหลงความปรุงแส่ง รู้ทันความปุงแต่งก็ขาดไม่ได้มีอะไรลึกลับอะไรหรอกดูสภาวะให้ออกแล้วก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะไปอ่ า, า, านั่นมันแสดงว่ามันพอแล้วมีสองพวกนะพวกหนึ่งทำสมถะแล้วก็เกาะอยู่ตรงนั้นเลยสบายนะพวกนี้พวกติดสมถะ พวกสมาธิเยอะอีกพวกหนึ่งพวกปัญญามากจะทำสมสถานิดหน่อยพอจิตมีแรงแล้วไม่ยอมอยู่แล้วจะออกรู้แล้วนะแล้วแต่จริตคน ถ, ถ้าปล่อยไปมีหน้าที่สามรู้นีวเขาทำงานแล้วเขาพักพอแล้วทีเขาโลกไปพักเนี่ยแปบ๊บเดียวนะห้าวินาทีพร้อมนะที่จะทำงานก็ขึ้นมาอันนี้เอาไปใช้ทางโลกก็ได้นะเวลาเราทำงานเนื่อยเราก็เข้าพักอย่างเงี้ย พักแป๊บเดียวก็มีแรงและเดี๋ยวก็ออกมาทำงานได้อีกไปแก้วเป็นเงินบ้างหายเครียดยัง <c oughs> แค่จับแก่จับเป็นเลยแก่ปล่อยไม่เป็นอ้าวใครหิวข้าวบ้างหิว <c oughs> <c oughs> ข้าวตนแล้ว <c oughs> แห็มบางวันบางเวลาหิวข้าก็ไปหาอะไรทานบางเวลาหิวก็ทนเอาเนาะเรื่องเดียวกันนะแก้ไม่เหมือนกันแต่ละสถานการณ์นะการปฏิบัติก็เหมือนกันบางวันจิตฟุ้งซ่านก็ตามรู้มันไปบางวันจิตฟุ้งซ่านทำสมาธิแล้วแต่อันไหนเหมาะอันไหนควรแต่ละสถานการณ์เพราะฉะนั้นไม่มีรูปแบบสําเร็จรูป ไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวจนะใส่ความพลิกแฟงของเราเหมือนนักฟันดาบเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นนักฟันดาบนะท่าเบสิกเรียนเหมือนกันทุกคนเนะ่ยใครๆก็รู้อะไรเงี้ยแต่ทำไมแต่ละคนมีเก่งไม่เท่ากันมันพลิกแพลงได้การปฏิบัติก็อย่าทำบื้อๆเนาะไม่ใช่วันนี้จิตแฝบลงไปแล้วก็ทำสมถะแล้วหายพรุ่งนี้ไม่หายนะ ไม่แน่แล้วก็พลิกแปลงไปเด็กนั้นเคยไปฝึกอะคุณทำมาลาหมั้ยเราเด็กกราเพืกก่อนละบุมนละ้ข้างหลังหันไปนั้นเจอแต่แก่แก่ค <c ười> เยคยเ <c ười> หรอดีนะฝึกไว้คนฉลาดรู้ไหมถึงจะไปฝึกอะ ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมโตโตแล้วโ อ, โอ้จะรู้เลยประโยชน์เยอะแค่อกหักก็ไม่ค่าตัวตายแล้ว <laughs> คุณไกลดีแล้วรู้สึกไปนะต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้น่อยราบรื่นใหม่ๆนะฝ่ากว่าจะฟังธรรมารู้เรื่องอยากมากเลยแต่บางคนก็ชมนะบอกพูดแล้วฟังง่ายแต่ทํายากน <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าชมหรือด่า บอกก็อย่าทำอย่าทำนะนี่ไป็บอกอฟังง่ายแต่ทําทำแล้วยากก็ยากคือก็อยากทำนี่ทำไมไม่ตามรู้สภาวะไปเลยไม่ทำอะไรไยนุช จ, จะส่งกันบ้านไหมว่าเลยเชิญอืม อะไรนะดังๆนิดนึงแก่แล้วหูตึง <c oughs> อ่าไม่เหมือนเด็กคนเดียวนะเออเออก็ดีแล้วดีว่ามันร้องไห้แต่ไม่ใช่จิตดิ้มของหลวงปู่ดุลนะอ่าไม่ใช่อ่ะนะจิตมันมีปิติขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาเราก็รู้มันนะ จะเบิกนนิ่มๆนะใหม่ๆจะยิ้มมือหวานอ่มียิ้มมือหวานะเดินเห็นต้นไม้ยิ้มหวานเลยเคลื่อนถอยหลังเลยแบบมันมีความสุขไไหนก็มีความสุขนะเจอหมาเจอแมวยิ้มหวานเลยมันเอามันยิ้มอยู่ข้างในไงเมื่อกี้มันก็ออกมานอกหน้า บางทีลืมเนื้อลืมตัวยิ้มหวานเพื่อนถอยเลยไม่แปลกไม่แปลกนะไม่บ้าอย่างนี้ยังไม่บ้าเออแล้วดูความตกใจของเราดูความสงสัยดูความสกใจของเราตอบไปเลยอาการอะไรปรากฏก็ช่างมันให้สักว่ารู้สักว่าเห็นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าอาการทุกอย่างไม่เที่ยงดูตรงนี้ ดูตรงที่อาการทุกอย่างที่ปรากฏนะเกิดแล้วมันดับเออดีแล้วนะเพราะตัวนี้หลอกเราสาหักเลยเออดีดีที่เห็นแต่ก่อนนี้เผลอทั้งวันไม่เคยเห็นแล้วบอกไม่เผลอสาหัสตอนนี้มันเผลอแล้วเรารู้ว่ามันเผลอว่าวันหนึงเผลอบ่อยวันหนึ่งเผลอนานจังเห็นไหมเริ่ม เรมีมาตรฐานนะเสรอไปชั่วโมงบอกนานนานแน้วคเสรอตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่นานเลยวันนี้หมดไปอย่างรวดเร็วมีส่ยังไม่ได้ล้างกีเ ด, ดสักตัวเล ย, ย, ไ, มยมไม่เป็นไรทันตรงไหนเอาตรงนั้นนะอจจะทนันประเภทโทรศเกิดแล้วรู้เลยหรือนะรู้ตั้งแต่ก่อนโทรศ์เกิดเป็น ไ, ไปไม่ได้ ไม่ใช่ปูมของเราเพราะฉะนั้นรู้ทันตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะง่ายสิงมาคนเดียวเหรออืออือไปจงใจดูไม่ได้นะถ้ากำลังของสติ ของสัมมาสมาธิของปัญญาพอเป็นที่นิ่งถ้าคิดจะดูระดับแล้วจะดูอันใหม่เลีย่ยใจเป็นนั่งจ้องผิดเลยก mm hmm. ายเป็นช่องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนผิดนะเพราะงั้น mm hmm. เ อ, อดูให้มันเกิดไปแล้วตามรู้ไปตามรู้ไปมากๆต่อไปพอมันชํานาญมันตามรู้จะเห็นดับต่อหน้าตตาแล้วก็ยังไม่ได้จงใจจะรู้อะไรอันใหม่เลยอันใหม่เขาฝุดขึ้นมาให้ดู ให้ฝุดขึ้นเองนะแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อนอย่าไปรอถ้ารอแล้วผิดเลยมันปรุงเรียบร้อยแล้วมันปรุงความเฉยเฉยขึ้นมาเออเราไปคิดว่าเฉยเฉยเนี่ยไม่มีอะไรจิตต้องจับหลักให้แม่นนะจิตไม่เคยว่างจากอารมณ์จิตจะต้องมีอารมณ์ตลอดเพราะงั้น พอปัญญาปัญหาเกิดขึ้นมาเห็นเป็นพุ่งพุ่งขึ้นมาปัญหาจะพุ่งตรงตรงพุ่งขึ้นมาบางตัวแบ่งเนื้อปัญหาพุ่งขึ้นมาเราดูดับตรงที่ดับไปเนี่ยว่างว่างว่างว่า ง, างนี่คือสิ่งที่ถูกรู้อันใหม่เราไปว่างว่า ง, างก็ดับกลายเป็นตัวอื่นขึ้นมาแทนจิตมีอารมณ์ตลอดนะไม่มีจิตที่ไม่มีอารมณ์เราจะไปคิดว่าตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล แล้วก็เลยละเลยที่จะรู้อารมณ์ปัจจุบันไยรอดูอารมณ์อันใหม่ที่จะเกิดขึ้นแกไปถุกหลอกเลยถูกหลอกเนื่อ น, อนิยาา จ, จมเยอะไม่รู้จักเลย <c oughs> ทำไมเขาหลงผิดมาอย่างนี้อืม การเปลี่ยนนั่นละก็เป็นสภาวะให้เราดูเข้ารู้ไปบอกแล้วว่าใหม่ๆวื้หวานะนานๆแล้วนุ่มนวลกิเลสเวลาดับก็ดับนิ่มๆนะมาก็มานิ่มๆกิเลสมานิ่มๆนะมานิ่มๆมาเล็กๆก่อนตัวเล็กตัวน้อยถ้าเห็นตั้งแต่ตรงนี้นะมันโตไม่ได้แต่ถ้าดูไม่ทันแล้วก็โอ้กิเลสมันตัวใหญ่ ตัวใหญ่แล้วจะสู้ยังไงนะ่ะถูกหล่ออีกล้วจะสู้อีกลวะี่เลนมาก็รู้เหมันสิดูว่ามันเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยดูไปอย่างนั้นเห็นไหมของง่ายๆนะง่ายแต่ฟังยากนะหรือฟังง่ายแต่ทำยากน่าเชิญกูเลิก จิตมันหายเป็นยังไงคุณเลิศหมายถึงหมดความรู้สึกตัวหรือเปล่าอ๋อรู้ตัวก็จิตไม่หายสิอสยเออความจิตที่ฟุ้งซ่านมันดับใช่ไหมเราก็รู้จิตที่ไม่ฟุ้งซ่านต่อที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตตั้งมั่นก็รู้อะไรนี้สามรู้ไปแล้วจิตไม่หายนะคุณเลิศมีจิต ร่างกายแข็งเนี่ยอาการของสมรถะมันแทรกนะบังคับไม่ได้แต่บางทีเราดูจิตอยู่เนี่ยเราดูเข้าไปรู้อยู่ที่จิตเนี่ยนะมันจิตมันสั่งร่างกายไม่ได้บางทีแต่ถ้าถ้าสั่งร่างกายไม่ได้มก็ตัวเท่าเนี้แต่มันสั่งไม่ได้แต่บางทีถ้ารู้สึกว่าโอ้ตัวใหญ่ตัวหนักอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยอาการของสมรถะแสดงว่าไอ้ที่เราดูอยู่เนี่ยเราไปจ้องเขาแล อต้องต้องดูสบายๆนะทุเรเอย่าดูแล้วแช่ลงไปถ้าดูแล้วจิตเราไหลลงไปเหมือนเราดูไว้ขวดเนี้ดูแล้วใจเราตามมันลงไปก็อยู่ว่ามันขวดมันอยู่นู่นเนี่ยมันจะกลายเป็นสมถะแต่ถ้าเป็นคนดูมันอยู่ทางนี้ะต่างคนต่างอยู่อันี้จะหายไปดูไปเรื่อยๆที่ตัวที่ดูเนี้ยไม่ค่อยเปลี่ยน อันนี้จะได้หลงผิตอีกครั้งหนึ่งไอ้ตัวนี้เที่ยงจิตไม่ดับนะคุณแล้วจิตดับมีแต่พวกอสัญญาคือหมดความรู้สึกไปเลยไอ้ผู้รู้หายนั้น<อ>จิตฟุ้งซ่านไปคือเข้าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่แล้วพุโทโธหายไปอยหรือบางทีผู้รู้หายกลายเป็นผู้หลงจิตหลงไปแทน เงียบหมดหมายถึงทุกอย่างนิ่งแต่ว่าเรารู้อยู่ใช่ไหมไม่รู้ไม่มีความรู้สึกตัวหรือปรเปล่อ๋ออย่างนั้นเผือไปละถ้าความรู้สึกตัวหายไปนี้ใช้ไม่ได้ละถ้าความรู้สึกตัวยังอยู่นะแต่ว่าเกิดนิ่งเกิดว่างเกิดแกวง่วงซ้ายแกว่ขวาอะไรนี่ใช้ได้หมดเลยเงียบตัวรู